ท่านพระเทรานุเทระผู้บริหารคณาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณนราชเทัยมีท่านพระมหาสมบูรณทิกกโรคณะบดีบัณฑิวิทยาลัยเป็นต้นท่านพระเทรานุเทระผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสถาบันอินทกร ขอเจริญพรท่านผู้บริหารคณอาจารย์นิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฝ่ายเครื่องนและท่านผู้มีเกียรติผู้มาเข้าร่วมการสรัมมนาทุกท่านงานวิจัยของท่านทั้งหลายที่ได้ทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งแห่งการสำเร็จการศึกษา ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วแต่สิ่งที่เราคาดหวังจากความเหนื่อยยากที่เราได้ลงทุนลงแรงทางานวิจัยก็คือให้มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมเราไม่อยากจะเห็น ว่างานวิจัยที่ทําเสร็จไปแล้วนั้นเมื่อเวลาผ่านไปก็มีคนจำเรื่องที่เราทําได้อยู่คนเดียวคือตัวเราแล้วก็มาลูบมาคลัได้วยความภาคภูมิใจคนอื่นไม่รู้เรื่องเลยและเขาก็ไม่ได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปเพียง แค่จบปริญญาโดยที่งานของเราไม่ได้รับการเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อไปเนี่ยมันยังไม่เพียงพอเพราะว่าประเทศชาติต้องขับเคลื่อนด้วยปัญญาให้ความสำคัญแก่งงานวิจัยเราต้องการให้สังคมไทย เป็นสังคมที่พัฒนาบนพื้นฐานของความรู้ Knowledge Based Society ต้องการให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ Knowledge Based Economy ซึ่งเป็นเป้าหมายของ ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความรู้ที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการลอกเรียนแต่เป็นการริเริ่มเป็นการนำเสนอเป็นการประยุกต์ปรับให้เหมาะสมกับสภาพสังคมจึงต้องอาศัยงานวิจัยงานวิจัยจึงเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของการสึกษาและเป็นตัวขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคม ฐานความรู้ดังนั้นการนำเอางานวิจัยของท่านทั้งหลายมาเผยแพร่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มารับการขัดเกลาจากผู้ทรงคุนวุนิและจากเพียกรุ๊ปจึงเป็นสิ่งจำเป็น และก็เป็นส่วนสำคัญของการสำเร็จการศึกษาด้วยทางบันทิตวิลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยก็รับอาสาเป็นผู้ประสานจัดเวทีนี้ขึ้นซึ่งเรียกว่าการสัมมนาวิชาการระดับชาติของมหาจุฬาครั้งที่สจะเรียกระดับชาติไม่ได้ถ้าไม่มีการมีส่วนร่วม ของพวกเราจากสถาบันต่างๆมาร่วมงานกันวันนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้มาเยือนก็ทำให้งานนี้เป็นงานระดับชาติวันหน้าทางฝ่ายเราก็เป็นผู้ไปเยือนมันจึงจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างนี้ การสัมมนาครั้งนี้จะบรรลุปเป้าหมายแค่ไหนเพียงไรก็อยู่ที่ c o n t r i b u t i o n การนำเสนอการตอบสนองการวิาพากษ์วิจารณ์การเจรในของพวกเราด้วยสบิตของวิชาการมุ่งแต่งเติมเสริมต่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เขามีคำกล่าวว่า no comparison no comprehension ถ้าไม่มีการเปรียบเทียบก็ไม่มีความเข้าใจถ้าเราไม่เปรียบเทียบความคิดของเรากับคนอื่นเราจะรู้จุดที่เราอยู่ได้อย่างไรมีคำกล่าวของคนอังกฤษว่าคนที่ไม่เคยออกนอกกลุ่มลอน ด, ดอนไม่รู้จักลอน ด, ดอน ไม่ไปเห็นชนบทแล้วไม่ได้กลับมามองถิ่นที่เราอยู่เราก็ไม่รู้จักตัวเราเองที่เราอยู่เราไม่ไปเรียนรู้งานวิจัยของคนอื่นเราก็อาจจะไม่เข้าใจขอบเขตความสาคัญของเราเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายได้ประโยชน์หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อของการสัมมนาน เรื่องพระพุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัยก็เป็นการบอกขอเขตเป้าหมายของการหาองค์ความรู้ในพุทธนาเพื่อพัฒนาสังคมร่วมร่วมสมัยให้เดินหน้าต่อไปฉะนั้นจะขอมีส่วนร่วมในการาให้ข้อคิดความเห็น ในเรื่องนี้เป็นเบื้องต้นเมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วก็ขอเปิดการสัมมน า, าและมีส่วนในการต้อนรับท่านทั้งหลายที่มาจากนานาสถาบันด้วยธรรมปฏิสันฐานการต้อนรับมีสองอย่างหนึ่งอามิษะปฏิสันฐาน ตอนรับด้วยสิ่งของด้วยน้ำดื่มข้าวปลาอาหารหมากพรูนึหมากพรูนี่สมัยบุเพสันิวารไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็จะไม่ร่วมสมัยพระไม่เคยรู้เรื่องมิส ย, ยมรู้เรื่องเพราะฉะนั้น การต้อนรับอีกแบบหนึ่งคือการใช้ธรรมะปฏิสันถานต้อนรับด้วยข้อคิดความเห็นแม้กระทั่งสนทนาธรรมซึ่งวันนี้จะขอต้อนรับท่านทั้งหลายด้วยหัวข้อว่าพระพุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัยเป็นการกล่าวนำเพื่ อ, อท่านทั้งหลายจะได้ ธรรมสากัดฉาบแปลว่าสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันคำว่าสังคมร่วมสมัยเราแเราแปล ม, มาจากภาษาอังกฤษเพราะคนไทยไม่ค่อยจะใช้กันเท่าไหร่นะมีแต่สังคมไทยวันนี้อะไรปีนี้ไอ้ร่วมสมัยนี่มันเราเราบัญญัติศัพท์มาจาก ภาษาอังกฤษว่า contemporary society สังคมร่วมสมัยซึ่งนักวิชาการก็ให้ความหมายลักษณะของสังคมร่วมสมัยว่ามันเป็นยุคที่เราเกิดเราอยู่เราทำนี่แหละและในยุคของเราเนี่ยมันไม่ใช่ร่วมสมัยไหนก็คือสมัยที่เรายังยังอยู่กันตรงนี้ มันเป็นสังคมร่วมสมัยของเราแต่ถ้าไปเป็นสังคมร่วมสมัยของพระพุทธเจ้าเราก็นึกถึงครูทั้งหกครูทั้งหกเนี่ยไม่ว่ามคาัคคิริโกฮาหรือปุรณกัสปะใครต่อใครเนี่ยแม้กระทั่งนิครณนาะตบุตราศาสดามหาวีระถือว่าร่วมสมัยของพุทธเจ้า เราเรามาพูดร่วมสมัยของเราในสังคมร่วมสมัยยุคเราวนี่มีลักษณะที่บ่งบอกหรือวัดได้อย่างน้อย3ามเรื่องก็คือเรื่องความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมันทําให้สังคมร่วมสมัยของเราเนี่ยแตกต่างจากยุค ก่อนเราเกิดยุคสงครามโลกหรือก่อน25พุทธศตรวตรรษไล่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเจริญก็จริงแต่ว่ามาเน้นเรื่อ ง, Communication, องการสื่อสารตั้งแต่ 2,500 เป็นต้นมาเนี่ยมันตั้งแต่ส่งดาวเทียมสปุ้นิกขึ้นโคจรรอบโลก มันทำให้เกิดยุคการสื่อสารไร้พรมแดนและก็พัฒนาคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกอินเทอร์เนต็ตก็ามาอีกจนเราเรียกยุคที่เราอยู่ว่าเป็นอิน o r ม a ชันโซซ c i ตี้เป็นสังคมข้อมูลข่าวสารซึ่งก่อนก่อนนั้นไปเนี่ยนะเรียกนี้ใช้คำนี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นพวกเรามาเกิดในยุคสังคมร่วมสมัยที่เขาเรียกว่า Information Age เป็นยุคข้อมูลข่าวสารและคำว่ายุคข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคโนโลยีนะท่านมันไม่ได้แค่เรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี มันรวมไปถึงวิถีชีวิตวิถีชีวิตที่เรื่องการกินอยู่เรื่องเศรษฐกิจมันก็เป็นตัวบ่งบอกยุคอุตสาหกรรมเนี่ยคนมีรายได้จากอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมหนักเช่นเหล็กกล้าผลิตเหล็กกล้าสร้าง เรือกลไฟแต่มาพอยุคของเรานี่คนมีรายได้จากภาคเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างมากภาคการผลิตที่เราว่า น, นี่ทำงานอะไรก็สู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีการสื่อสารไม่ได้ Bill เก t ส s ของคนอเมริกันเนี่ยรวยอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันมาเป็นสิบปีเพราะเป็นเจ้าของไมโครซอฟท์รวยไม่รู้เรื่องมาแพ้ปีนี้มาแพ้เสียแชมป์โดยโดยการจัดของฟ o x เนี่ยนิตยาสารสารฟ o x เนี่ยให้กับคนในกลุ่มเดียวกัน ที่ทำงานด้านการสื่อสารคือคนขายของนะ่ะปกติขายของมันต้องมีห้างสรรพสินค้าใช่ไหมมีห้างใหญ่ๆหญ่แต่ว่าคนขายของคนนี้ไม่มีห้างนะ่ะแล้วพวกเราก็ซื้อของเขาอะคือเจ้าของอเม z อ n นะ่ะมันขายของทางเว็บไซต์ เห็นหั้ยเพราะฉะนั้นยุคข้อมูลข่าวสารเป็นยุคที่คนประกอบอาชีพพึ่งพาเทคโนโลยีในการสื่อสารมันหมดยุค เ, ยเรื่องที่เรียกว่าไปช้อปปิง้งไปขายซื้อกันตามห้างแล้วเด๋ยวนี้ห้างใหญ่ๆ ใ, ในอเมริกามันปิดไปเยอะเลย ไปอเมริกาชอบไปร้านหนังสือใหญ่ๆท่านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีหละร้านหนังสือกลายเป็นร้านกาแฟเอากาแฟมาแล้วเปิดมุมให้คนไปอ่านเขาอ่านทางอีบุ๊กกันหมดซื้อกันหนังสือนึ่งเดียก็ไม่ค่อยซือ้อแล้วทนแต่มหาจุราก็สร้างโรงพิมพ์ใหญ่น่ะ คื อ, อเห็นไหมเพิ่งจะามาตื่นเลยสร้างโรงพิมพ์แต่เขาไปไหนแล้วล่ะเขาไม่คยซื้อกั น, นอันนี้ข้อที่หนึ่งนะท่านข้อที่สองเมื่อเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมันเจริญเนี่ยมันเชื่อมโลกให้ไร่พรมแดนเข้าถึงกันกระแสโก o b a ไ i เซ t i o น โลกาภิวัตเข้ามาถ้าศาสนาก็เกี่ยวกับการแพร่หลายของวัฒนธรรมที่หลากหลายและวัฒนธรรมที่หลากหลายเนี่ยเมื่อมันไหลบ่าเข้ามามันก็จะมีเจ้าของที่ซึ่งต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและถ้าบริหารจัดการไม่ดีมันก็มีมีสถานะสองอย่างหนึ่งก็คือถูกครอบงนะำ จากกระแสวัฒนธรรมภายนอกเข้ามาครอบนำมาล้างสมองต่อต้านมากมันก็เกิดเป็นความขัดแย้งที่เรียกกันว่า Clash of Civilization การประทะกันอย่างรุนแรงของกระแสอารยธรรมซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทุกวันนี้ที่เราหมดยุคของ สงครามเย็นพวกเราส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่อยู่ในยุคสงครามเย็นเป็นโควดไม่ใช่ฮอนดัวฮอนดัมันยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเพราะผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมามันเป็นค่ายสองค่ายคอมมิวนิสต์กับทุนนิยม แล้วในปี 2,530 เสร็จๆเนี่ยต้นๆเนี่ยค่ายสังคมนิยมล่มสลายไปพร้อมกับสหภาพโซเวียตเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะประเทศสหภาพโซเวียตอะโซเวียตยูเนียนอผมนี่ทันนะเคยไปสัมมน า, าเรื่องาศาสนากับ อ, อ สหายณะของโลกที่มอสโกในยุคเป็นสหภาพโซเวียตผมไม่ได้ไปเองหรอตามอธิการบดีมอจลอไปสมัยนั้นพระมหานครทันสมัยก่อนเปิดเผยไม่ได้ตอนนี้มันไม่มีแล้วพูดได้ <c oughs> นี่ยุคนั้นนะสงครามเย็นนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วท่าน แต่มันก็เกิดความรุนแรงความรุนแรงในปีคศออ2000ที่พอขึ้น2000เนี่ยผ่านมาหน่อยไม่นาะน2001คศนะสิบไม่ถึงยี่สิบปีสิ่งที่เป็น turning point ของ c a s h of civilization ก็คือตึก World Trade ถูกถล่มเหือ มันไม่ได้มีสงครามเย็นไม่ได้มีอะไรเลยแต่เครื่องบินมันก็บินชนนลยตึกถล่มมาต่อหน้าต่อใจชาวโลกเลยผมกําลังดูทีวีเขาตัดรายการเข้าเซเลนะเครื่องบินบินมิ น, นตุ้มนึกว่าสร้างหนังเนละท่านไม่เคยเห็นก็ได้เห็นนะท่านอยู่ต่อไปก็จะเห็นอะไรแปลกๆอีก ให้มาดูถึงประเทศไทยในนามของซ i v i l i z a ซ i o n อารยธรรมวัฒนธรรมที่มันคลาและในยุคที่อารยธรรมมันประทะกันเนี่ยถามว่าในสงครามเย็นเหตุแห่งความขัดแย้งมาจากอุดมการทางการเมือง ที่ต่างกันในเมื่ออุดมการทางการเมืองมันหมดไปแล้วทำไมมันยังมีความรุนแรงเหลืออยู่ในโลกนี้การประทั ก, กันทางอารยธรรมถามว่าอารยธรรมเหล่านั้นอยู่บนรากฐานของอะไรของศาสนาั้ ศาสนาเป็นรากฐานของอารยธรรมดังที่พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยโลกาภิวัต globalization โลกมันแคบมันประทะและถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีเนะี่ยความขัดแย้งมันก็จะลุกลาม ในานามของรากฐานของอารยธรรมก็คือนามของศาสนาคำถามเบื้องต้นในยุคที่ศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือของความขัดแยง้งคือยุคนี้พระพุทธศาสนาจะวางตัวอย่างไรเราจะเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแยง้ง หรือจะเป็นเสียงเตือนสติให้สลายความขัดแยง้งนี่คือข้อที่สองข้อที่หนึ่งนั้นท่านไม่อาจปฏิเสธความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการสื่อสารพระพุทธศาสนาจะขีดกระแสของการไหลบ่าของข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นข่าวสารด้านธรรมะได้อย่างไรนั่นข้อหนึ่งข้อสองได้พูดแล้วข้อสามปัญหานิเวศวิทยาสิ่งแวดลอ้อมเป็นปัญหาร่วมสมัยท่านท่านไม่อาจเพิกเฉยได้เมื่อห้าสิบปีมาแล้วท่าน อาจจะไม่สนใจก็ได้แต่วันนี้ประชุมระดับโลกที่ไหนเขามีแต่พูดเรื่องอิคโล و ج เพราะอะไรเพราะในยุคที่เทคโนโลยีไม่ใช่เฉพาะด้านการสื่อสารเศรษฐกิจเจริญเนี่ยการขยายตัวของประชากรมันเพิ่มคนตายลดลงนะเพราะการแพทย์เลยนะ คนตายลดลงคนสูงอายุเพิ่มขึ้นคนมียารักษาโรคเกิดเยอะมากมากมากประชากรมันล้นโลกนะท่านกี่พันล้านก็ไปแล้วแล้วโลกมันแคบนะท่านมันก็ใบเดียวเนี่ยเมื่อคนจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเนี่ยหรือเติบโตขึ้นเนี่ยมันต้องหาที่อยู่ หาที่กินหาที่ทำงานการบุกรุกเข้าไปในป่าสงวนไปยิงเสือดำสมัยก่อนไม่มีใครสนใจท่านแต่เดี๋ยวนี้เพราะทุกคนมีคอนเชียตมีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมถึงสัตว์ป่าถึงอะไรต่างการปกป้องสิ่งแวดล้อมมันจึงออกมา เป็นกระแสใหญ่สมัยก่อนพระสร้างวัดขึ้นมาเข้าไปในป่าไปอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครสนใจเดี๋ยวนี้มันถูกจับตาดึงท่านไปพิชักป่าหรือไปทำลายป่ามันไม่ใช่กระแสเฉพาะในประเทศไทยมันทั่วโลกกันเพราะเมื่อคนเจริญทางเทคโนโลยีทางเศษรษฐกิจจำนวนประชากรเพิ่ม มันแย่งอาหารกันกินแย่งทิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิสวัตแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่โลกมันแคบปล่อยคาร์บอนขึ้นไปทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกโลกร้อนน้ำแข็งละลายที่คู่ทั่วโลกเหนือทั่วโลกใต้เนี่ยน้ำทะเลสูงขึ้น ประชากรริมทะเลไม่มีที่อยู่ที่ทำกินมันก็ทบไปหมดน้ำทะเลก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นจึงมีการประชุมเขาเรียกขอบ Conference of Parties U.N. จัดทุกสองปีสามปีเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องโลกร้อนเนี่ย ศาสนาคริสต์นะพระสันตปาปาเนี่ยจะพูดเรื่องนี้ climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะมันเป็นกระแสทั่วโลกประเทศยันภูตาเนี่ปกป้องในธรมรมนารปกป้องว่าพื้นที่ป่าต้องมีถึง75เอร์เซ็นเขียนไว้ไว้ในธรรมนารุนเจอพบนายก ภูตานถามว่าแล้วคุณทำได้กี่เปอร์เซ็นต์อนุรักษ์ป่าของภูตานเขาบอกได้แปดสิบเปอร์เซ็นตของพื้นที่ทำไมประเทศเหล่านี้จึงมีความตระหนักสำนึกเรื่องป่าเรื่องอะไราเพราะมันเป็นลักษณะของโลกร่วมสมัยสรุป พระพุทธศาสนาจะตื่นตัวและให้คำตอบในปัญหาของโลกปัจจุบันเรื่องนิเวศวิทยาเรื่องแคลชอปซ i วิไลเซชันได้อย่างไรอันนี้ส่วนปัญหาย่อยที่ตามมาก็คือเมื่อคนสูงอายุมากขึ้นการดูแลผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ กำหนดเป็นธรรมนูญสุขภาพเข้าแม้กระทั่งพระสงฆ์เนะี่ยก็มีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ผ่านมหาเทระสมาคมไปเมื่อสองเดือนโดยมาปรึกษาที่การบดีว่าทํำยังไงจะให้มันเข้ามอสเรียบหลังก็ช่วยวางแผนให้ผ่านมาแล้วตอนนี้ตื่นตัวกันใหญ่เลยท่านเขาทํากันทั่วประเทศเรื่องเรื่องธรรมนูญสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้เป็นต้นในยุคข้อมูลข่าวสารมันเป็นยุคดิจิทัลยุคดิจิทัลนั้นก็คือข่าวสารกระจายอย่างรวดเร็วเรียลไทม์ที่กำลังพูดอยู่นี้ทุกมุมโลก สามารถเข้าถึงรับรู้ได้ซึ่งแต่ก่อนไม่มีแล้วถูกด้วยราคาถูกและแพร่หลายอย่างไม่มีขอบเขตจำกัดไม่มีการเซ็นเซอร์ทัานเรื่องไร้ายๆเขาตัดคอกันที่ไหนเนี่ยสามารถให้เยาวชนเปิดชมได้หมดย้อนหลังก็ยังได้ ความรุนแรงทางเพศก็เช่นเดียวกันเป็นเรื่องท้าทายเพราะมันไม่มีขอบเขตจำกัดดังนั้นทานยูเนสโกจึงมีความห่วงใหญ่ว่าการจัดการสื่อสารทั่วโลกเนี่ยรวมถึงของเราด้วยจะดูแลเรื่อง how to l i v t to g e t h e r ได้อย่างไร สมัยก่อนไม่มีปัญหานี้เรื่อง ก, การศึกษาไม่ต้องสอนวิธีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของเด็กๆ เ, เพราะเด็กจะมีการปฏิสัมพันธ์ในโรงเรียนเป็นเพื่อนเป็นอะไรต่างเดี๋ยวนี้ทักษะในการอยู่ร่วมกันของเด็กนี่มันลดลงนะมันเป็นสังคมอะไร ทังผมคมหน้าเพื่อนอยู่ใกล้ๆกันมันยังไายคุยกันเลยพูดไม่เป็นหรื อ, อยังไงมาฟันพระเทศมันก็อธิการพูดมันก็อยู่กับมอชินอยู่กับเครื่องจักรท่านพ่อแม่พาเด็กไปวัด น, นี่ย ตั้งแต่นั่งรถไปเลยนะไม่สนใจกับพ่อแม่ไปถึงหลวงพ่อมันก็ไม่สนใจและอาการหนักขึ้นเรื่อยถ้ามันกดเพื่อหาความรู้ให้มันทำไปเถอะแต่มันเป็นพวกปัญญาอ่อนอะ่ะแต่ก่อนเราเรียกทีวีว่าอนะีเดียตบ็อกซ์เน่ยกล่องปัญญาอ่อนอะ่ะคือใครดูมากและปัญญาอ่อน ยกเว้นดู MCU TV เพราะเขามาถ่ายทอดเดี๋ยวนี้ไอ้ทีวีที่ว่าเ น, นี่ยมันเป็นมือถือไปแล้วอะ่ะมันจะโคตรปัญญาอ่อนเลยนะถ้าไม่ใช้เพื่อประเทืองปัญญาลงทุนทำเว็บไซต์ ให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเสียเงินไปนเท่าไหร่ปากอกว่ายังใช้เพื่อการศึกษาไม่คุ้มเลยเชื่อมถึงกันหมดส่วนกลางวิทยาเขตห้องเรียนแต่ไม่ได้ใช้เพื่อการศึกษา จะใช้ตอนอาจารย์สั่งงานแล้วมาคอฟปี้เท่านั้นเองเรื่องคัดลอกซึ่งในโลกตะวันตกเขาถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงถ้าท่านไปลอกเขามาแล้วไม่บอกที่มานะถ้าพบในวินิพนธ์เขาให้ตกนะถ้าใครทำไว้คิดใหม่นะ ไอ้ความไม่มีขอบเขตจำกัดทำให้คนเนี่ยเป็นสังคมก้มหน้าไม่สื่อสารกันคือไม่มีทักษะด้านมนุษย์ิรพัน์นี่เรื่องหนึ่งนะเด็กที่โตขึ้นอีกเรื่องหนึ่งคือการไม่มีเซนเซอร์ัเด็กได้ตัวแบบที่เป็นความรุนแรงอาชญากรรมทุกอย่างโดยไม่ต้องผ่าน PG คือ p a r e n t นต์กายแด น, นพ่อแม่ดูแลเหมือนดูทีวี เขาไปเปิดที่ไหนก็ได้ไม่มีใครแนะนำผลก็คือสังคมมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นประเทศไทยแต่ก่อนเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะมีอะไรก็ขอกันกินได้พอยกุกยุกข้อมูลข่าวสารเนี่ยใครใครพูดอะไรใครใครวิจารณ์อะไรทำไร แล้วคนที่คิดแบบเดียวกันเฮไปดูแบบเดียวกันมีแฟนคลับก่อให้เกิดการดูทีวีคนละค่ายคนละกลุ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งสีในทางการเมืองเพราะบริโภคข้อมูลข่าวสาร<ม>ด้านเดียวท่านมันเป็นปรากฏการณ์ร่วมสมัยและมันจะแรงขึ้นเรื่อย ทำไมไม่บริโภคข้อมูลข่าวสารหลายด้านหลายฝ่ายความเห็นที่แตกต่างก็ทนฟันกันได้ทนดูกันได้พระพุทธศาสนาสอนขันติธรรมตรงนี้ได้ไหมเร่งด่วนประเทศไทยนี่จะเอาอะไรล่ะทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์คนเก่งเยอะ ไม่ต้องทำอะไรมากเพียงแต่ประคองให้สามารถขีกันไปในทิศทางเดียวกันถ้าไม่ทะเลาะกันป่านนี้ประเทศเราจะเลื่อนไปถึงไหนแล้วเราทะเลาะกันเพราะเราจัดการสังข้อมูลข่าวสารไม่เป็นมันเป็นดาบสองคมจัดการไม่เป็นและใช้ไม่เป็นบริโภคข้อมูลข่าวสารไม่เป็น เราไม่ได้ติดภูมิคุ้มกันทางสติปัญญาให้เยาวชนห่วงว่าในอนาคตจะหนักกว่านี้ข้อที่สเดี๋ยวนี้เขาเชื่อมโลกถึงกันด้วยเน็ตเวิร์ด้วยเครือข่ายทำอะไรเขาไม่แยกส่วนกันแล้ว สินค้าสามารถซื้อจากสื่อได้ทั่วโลกในทำนองเดียวกันการทำธุรกิจเขาจะรวมกลุ่มกันใครขึ้นเครื่องบินทุกวันนี้จะเห็นเขาจะมีสไตล์แลนส์การบินไทยจะรวมกลุ่มกับหลายหลายส า, าสายการบินเพื่อ เอาผู้โดยสารมารวมกันในบางเส้นทางเชื่อมกันทุกสายการบินเพื่อความอยู่รอดเขาจะมีกลุ่มเป็นเน็ตเวิร์ห้างสรรพสินค้าไม่ได้ต่างคนต่างอยู่อีกแล้วนะท่านนะไม่ใช่ว่าขายของฉันอยู่ได้แข่งกับไอ้คนรู้ให้มันล้มไปเหมือนกับเปิดร้านอาหารแข่งกันไม่ใช่นะท่าน เดี๋ยวนี้โดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ต่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยเขาอยู่กันคนละฝั่งถนนเลเขาจะทำทางเดินเชื่อมถึงกันหมดคุณมาช้อปปิง้งร้านฉันวันสต๊อบเซอร์วิสบางแห่งบางร้านฉันอาจจะมีมีสินค้าอย่างนี้แต่คุณไปร้านโนนลบใต้ดินก็ได้ขึ้นบนดินก็ได้เป็นเน็ตเวิร์หมด มีโรงแรมมีโรงหนังมีอะไรต่างครบไม่ใช่เฉพาะในประเทศเราเนะี่ยทั่วโลกเพื่อความอยู่รอดมันจะถึงกันหมดในในโลกทุกวันนี้มันมันเชื่อมโยงเธอถ่ายมหาวิทยาลัยลองสิอยู่เป็นเกาะอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เชื่อมถึงใครเนี่ย มันอยู่ได้ไหมจัดสมนาอย่างพวกพวกเราลเลยจะยิ่งปัญญาอ่อนไปเรื่อ ย, อย<ๆ>การเรียนการศึกษามันต้องถ่ายเทมันต้องดูเชื่อมโยง ก, กันช่วยเหลือกันโลกมันเปลี่ยนแปลงหมดเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายหมดยกเว้นวัด วัดใครวัดมันฉันจะจัดผ้าป่าของฉันโยนจะไปทำบุญวัดอื่นเละแย่งโยงกันอีกับท่านเฮ้ยในวัดเดียวยังทะเลาะกันเลยเนะี่ยเพราะผ้าป่าเป็นเหตุทำไมในย่า น, นี้นี่วัด น, นี้ดีทางเทศวันนี้ดีทางกรรมฐานวันนี้ดีทาง เรีย น, นไม่ทำให้มันครบวงจรแล้วไม่ต้องแย่งกันเหมือนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาวิทยาเขตเดียวกันไม่ใช่แบบแย่งเปิดสาขาเดียวกันนะ่ะแย่งลูกค้าแย่งนิสิตกันเจ็งกับเจิงเก่งทางไหนดีทางไหนเอาทางนั้นหมดยุคแล้วที่ท่านจะโมโนโพลีผูกขาด สาวกเพราะว่าถึงเขาไม่ไปเขาก็ฟังเทศทางเว็บได้ลูกศิษย์ลูกหาของเราสามารถที่จะศึกษาหาข้อมูลถ่ายเทย้ายไปนู่นไปนี่ได้หมดต้องคิดใหม่ละ่ะจับเบอร์กันในส่วนของมหาเจลาวิยาเขตวิวาลัยสงศ์นี่ ทำแมปปิ้งเปิดปริญญาโทรปริญญาเอกอยากให้มันซ้ำซ้อนพอฉันจเจริญทางนู้ต้องปิดหมดยุคแล้วท่านผลัดกันดีดีทุกคนชิงกันดีไม่ดีสักคนสมัยก่อนเขาไ่าอย่างนี้แต่สมัยนี้จะบอกว่าร่วมกันดีดีคนละอยา่างดีทุกคน ชิงกันดีไม่ดีสักคนเพราะฉะนั้นใครมาปฏิบัติกรรมฐานวัดเราอสอนได้แต่ภาษาไทยถ้าภาษาอังกฤษต้องไปวัดโน้นแนะนำกันผมเป็นเจ้าวาดวัดประยูนวัดประยูรวงสาวะานอกจากเป็นที่การบารีผมรวมกลุ่ม ชุมชนรอบๆวัด น, นี่หกชุมชนเข้าด้วยกันเราเรียกว่าย่านกะดีจีนย่านกะดีจีนย่านกะดีจีนปัจจุบันเนี่ยรวมกันแน่นหนามากจัดงานเอางี้ว่าจัดงานวัดขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเอาลิเกมาแสดงเนี่ยคนคนแสดงมากกว่าคนดู เดี๋ยวนี้วัดผมจัดงานลอยกระทงนี่คนหลั่งไหลไม่รู้มาจากไหนกันจนเขาพูดกันนะสี่ห้าปีที่ผ่านมาวะถ้าลอยกระทงเนี่ยฝั่งกรุงเทพต้องภูเขาทองฝั่งทนต้องวัดไปอยู่อันนี้เขาพูดแล้วมันจริงมันเปลี่ยนไปหมดเพราะอะไรนุท่านเข้าไปในเว็บไปดูพิมพ์คำว่าย่านกระดีจีนแล้วท่านจะรู้ ชุมชนเข้มแข็ง ม, มากเราใช้คำว่าบรวรน่บ้านวัดราชการหกชุมชนรวมกันทำงานหมดชุมชนวัดประยูนชุมชนวัดกระยาชุมชนบุปผารามนี่พุทธนะชุมชนลงทามนี่สี่ชุมชนพุทธชุมชนสันตะครูนี่คริสชุมชนมัสยิดกูดีขาวนี่伊斯兰ทำงานร่วมกันเขาเรียกว่า สามสาศาสนาสี่ความเชื่อมีเถราวาิมหายานก็ให้เป็นสังคมต้นแบบที่ทางราชการเนี่ยไปดูงานเมื่อวานนี่นะผมกำลังต้อนรับเด็กเยาวชนสี่สิบห้าสิบคนเพื่อเป็นมักพุเทศน้อยเพราะเรากรำลังจะจัดงานสงกรานงานสงกรานวัดประยูเนี่ยจัดมีคนอยู่ แต่หลายปีมาแล้วเนี่ยเราจัดสงการร่วมกันสี่วัดท่านเป็นเน็ตเวิร์มีเรือวิ่งสี่วัดท่านในงานสงการตั้งแต่แปดโมงช้าถึงสี่ทุ่มเนี่ยสงการเนี่ยสิบสาสี่สิบห้านียวัดอะไรบ้างเป็นเครือข่ายวัดโพพระเจทุพลวัดอรุณวัดกระยาวัดประยุนสี่ท่านเนี่ยเรือจะถึงกันหมด นี่เราทำแล้วนะท่านแล้วเอาเยาวชนในเขตของสี่วัดเนี่ยตัวเล็กๆ เ, เนี่ยนะมาเป็นมัคคุเทศแล้วเราฝึกอบรมเมื่อวานมาพบผมผมให้โอว่ามัคคุเทศน้อยพอเสร็จปุ๊บยังไม่ทันอะไรมีนิสิตปริญญาโทของมหาจุฬา เข้าต่อเลยมาพบเจ้าว่ารถไปยุนถามว่ามากันทำไมอาจารย์สั่งให้มาดูย่านกดีจีนเขาอยู่ร่วมกันยังไงเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะเขาไปไไยกตัวอย่างอันนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าแม้แต่วัดเราก็ต้องปรับนโยบาย อยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่เพียงพอมันจะต้องทำงานร่วมกันด้วยในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็มาดูว่ายุคข้อมูลข่าวสารมันมีผลกระทบต่อสังคมร่วมสมัยอย่างไร อ, อย่างน้อยที่สุดเขาเรียกโมเดลของการพัฒนาประเทศไทย ในยุคข้อมูลข่าวสารว่าไ h a i l a n d 4.0 แค่คำว่า t h a i l a n ์ 4.0 คำเดียวเนี่ยมันตั้งโจทย์แล้วว่าพระพุทธศาสนาจะมีส่วน contribution ส่วนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในยุค t h a แล a ด์ 4.0 อย่างไรผมจะไม่พูดว่า 1.0 เป็นยังไ 0, 0, ง 2.0 3.0 เพราะว่าปลายกระถามมาหลายรอบเพียงแต่เชื่อมให้ดู 4ี่จะศูนย์ใครไม่รู้เรื่องนี้ก็ถือว่าอยู่ในกระสอบปุ๋ยมานานไปหาเอาเองพระพรหมะดิตพูดหลายรอบเรื่องแลเรื่องสีู่นย์เนี่ยไม่พูดละเดี๋ยวกินเวลามีเรื่องอยากจะพูดอื่นอีกเยอะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งพูดมาแล้วในยุคปัจจุบันในสังคมไทยก็คือประเทศไทยโดยรวมเนี่ย มันพ้นเส้นความยากจนเราล้วแปลกใจนะที่รัฐบาลไปจดทะเบียนคนยากจนเพื่อสงเคราะห์อะไรต่างแล้วมีมาเป็นสิบล้านเอามาจากไหนแล้วตอนนี้กลายว่าเป็นตัวเลขเมคอัพเต็เยอะเห็นไหคนไทยไม่ได้จนจริงๆอย่างนั้นหรอก ดูจากธนาคารโลกธนาคารโลกปี54ยกระดับประเทศไทยเนี่ยสังคมร่วมสมัยเราเนี่ยนะจากกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางและดับล่าง lower middle income country เนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงนี่สังคมร่วมสมัย เศรษฐกิจไทยมันยกระดับขึ้นมาธนาคารโลกเขาแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มในโลกนี้กลุ่มที่หนึ่งมีรายได้สูงเช่นสหรัฐสิงคโปร์เกาหลียุ่นกลุ่มที่สองเราเพิ่งเข้ามาได้อยู่ในกลุ่มนี้หกปีประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง upper middle income country อยู่ในกลุ่มจีน มาเลเซียรัสเซียเราพ้นจากกลุ่มที่สามรายได้ปลายทาระดับล่างอินเดียสิงลังกาวเวียดนามอาเซียนเกือบทั้งหมดยกเว้นไทยมาเลเซียสิงคโปร์อยู่ในกลุ่มที่สามเราหนีตรงนั้นมาแล้วและกลุ่มที่สี่มีรายได้ต่ำอย่างในปานเกาหลีเหนืออย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็พูดมาแล้วไม่พูดอีกวันนี้ แต่มีรายงานล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยสองสาเดือนเนี่ยถ้าใครติดตามบทรายงานของ World Bank นชื่อ Riding the Wave and East Asian Miracle for the 21st Century หมายถึงว่ า, าการขี่กระแสของการพัฒนาจนเกิดความมหัศจรรย์ ของเอเชียตะวันออกในศตวตรรษที่21คือยุคนี้รายงานของธนาคารโลกเนี่ยบอกว่าประเทศไทยและมาเลเซียเป็นตัวอย่างของการยกระดับคนทั้งประเทศให้พ้นจากความยากจนอันนั้นเป็นรีพอร์ตของเวิร์ดแบงค์เนี่ยไทยเถียงก็ไปเถียงเวิร์ดแบงค์ ยกระดับให้พ้นจากความยากจนโลกนี้เนี่ยธนาคารโลกเนี่ยท่านดูประเทศที่ยากจนนีมันมีสี่กลุ่มนะใครที่ที่มีความยากจนเนี่ยจนมากเลย Extreme p พ o r มีรายได้ต่ำกว่ายี่สิบสี่บาทตอ่อวันใครที่ภรรยาให้เงินไปทำไปกินค่า2ยี่สิบบาทเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ Extreme Poor จนหล้วกันจนปานกานลางถ้าเรียบ border p o r มีรายได้วันละยี่สิบสี่ถึงสามสิบแปดใครที่มีรายได้อย่างนี้เนะีอยู่จนปานกลางเสี่ยงว่าจะจนก็คือ economically insecure อาจมีสิ์จน รายได้วันละสาสบดต่อหกบาทส่วนคนที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจก็เรียกอีคอนมิคอร์ดเซเลเนี่ยรายได้วันละห8ส8ดถึงร้อยแปดสบาทส่วนชนชั้นกลางมีรายได้มากกว่าร้อยแปดสบี่บาทต่อวันเอาเงินเดือนเรามาอนะ่านนถ้าได้วันละร้4ยแปดสบี่บาทขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นวิเดอร์คลาส เอาท่านเรามาดูนะท่านธนาคารโลกบอกว่าขั้นที่หนึ่งกับขั้นที่สองเนี่ยประเทศไทยไม่มีแล้วคนจนมากไม่มีนะจนปานกลางก็อาจจะเหลือไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เยอะหน่อยคือเสี่ยงว่าจะจนอันเนี้ยคือพวกที่ลงทะเบียน เสี่ยงว่าจะจนส่วนที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจถือว่าพ้นความยากจนไปแล้วไม่กลับไปจนอีกเพราะฉะนั้นคนจนจริงๆเนะี่ยอยู่สมกลุ่มปรากฏว่ากลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเกือบไม่มีแล้วมามีกลุ่มที่สามเสี่ยงว่าจะจนแล้วมีความมั่นคงเศรษฐกิจเนี่ยเยอะชนชั้นกลางในประเทศไทยเราสร้างขึ้นมาเอามาดูนะ จนมากไม่มีแล้วประเทศไทยวันนี้นะคอนเทมพอร์เรียไทยแลนด์เนี่ยประเทศไทยในร่วมสมัยนะใครบอกจนมากนี่เลิกพูดได้แล้วมันหายไปแล้วจากประเทศไทยส่วนที่อยู่ในขั้นที่ว่าจนปานกลา ง, ลางมรดเดชพไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นศูนย์จุดแปดเปอร์ซส่วนที่เสี่ยงว่าจะจนเนี่ยนะพ้คนความยากจนมาแล้ว แต่ถ้าน้ำท่วมไฟไหม้จนอีกมีสิบเปอร์เซ็นคนไทยที่เสี่ยงว่าจะจนเนี่ยสิบเปอร์เซส่วนที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยห้าสิบสามเปอร์เซ็นพวกนี้หรือเปล่าที่ไปลงทะเบียนแต่เขาถือว่ามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจชนชั้นกลางในประเทศไทยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต เพราะฉะนั้นตอนนี้ ส, สภาพทางการเมืองในประเทศไทยเนี่ยพอเรามีชนชั้นกลางเป็นส่วนใหญ่เนี่ยส่วนมากอยู่ในสังคมเมืองก็เกิดทางการเมืองเขาเรียกว่าที่เขาเรียกกันว่าสองนักธราประชาธิปไตยกลุ่มหกสิบเจ็ดิเปอร์ซนต์พวกนี้ตั้งรัฐบาลกลุ่มชนชั้นกลางล้มรัฐบาล เดินขบวนพุทสนาช่วยยังไงเรื่องสันติเรื่องการอยู่ร่วมกันอีกนานกว่าชนชั้นกลางจะเพิ่มเข้ามาเมลีเซียมเมลเซียมีสเตต i แตเบอริตีต้นะมีความมั่นคงทางการเมืองเพราะชนชั้นกลางเป็นเสียงครั้งมากทั้งตั้งรัฐบาลและล้มรัฐบาลโดยชนชั้นกลาง ธนาคารโลกบอกว่ามาเลเซียมีชนชั้นกลาง 60% มากกว่าประเทศไทยเกือบเท่าตัวแต่ก่อนเนี่ยประเทศไทยเราอยู่ประเภทประเภทนี้เยอะก็คือจนและก็ไม่มีความมั่นคงเลยเป็นชนบทอะไรต่างเพราะฉะนั้นจะจะไม่ค่อยมีความยุ่งยากกับการเมือง แต่พอเรามีการศึกษาเพิ่มมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพิ่มมีอะไรเพิ่มเนี่ยชนชั้นกลางเพิ่มมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นพวกเราส่วนใหญ่สื่อมวลชนใครต่อใครอยู่ในกลุ่มนี้มันก็เกิดการประทะกันถามว่าวิธีแก้ไขอย่างไรรัฐบาลเนี่ยต้องการย ก, ะกระเบียบคนต่งางๆเพิ่มขึ้นจึงเป็นโมเดล 4.0 แล้วถ้ายังยกขึ้นไม่ได้เนี่ย เราจะอยู่ในสภาว่าอึมครึมกันอย่างนี้ไปอีกนานไหมพระพุทธศาสนาจะช่วยอย่างไรนี่คือโจทย์คาตอบในเรื่องนี้อยู่ที่ในระดับโลกเลยนะอยู่ที่คำว่า sustainable development keyword ไม่ว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาสังคมพัฒนาการเมืองพัฒนาอะไรต่างขอให้มันยั่งยืน อย่ามาเป็นตุ้ตาลมลุกเราเรียกว่า Sustainable Development ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคำว่า Sustainable เ e v e l o p m e n t เนี่ยการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันมีความหมายต่างจากตอนที่เขาใช้ครั้งแรกโดยส้างประชาชาติไปเยอะเลยนะในปี1987เนี่ยสึชเทนเนอร์เบิ e ์ดเดเวลการพัฒนาที่ยั่งยืนเ น, ยเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม เราจะเห็นคำนิยามในสมัยนั้นเนี่ยโดย World c o m m i s s เนี่ยเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเป็นการพัฒนาที่พบที่ที่นำเอาความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นอนาคตมาพบกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนรุ่นปัจจุบันจะใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติสู่รุ่งสู่ไายจนคนรุ่นอนาคตเนี่ยรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ย ไม่เหลืออะไรเลยเราเราแย่งเขาเอามาใช้หมดโดยทำลายสิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจไปทำลายสิ่งแวดล้อมจึงเกิดคำว่า s ustainable development ขอให้พัฒนาโดยที่ยังห่วงใยคนรุ่นต่อๆไปด้วยอย่าไปทำลายสิ่งแวดล้อมฉะนั้นเมื่อประมาณสัก20สิปีมาแล้วเวลาเราสัมมนาเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเราจะ่วงใหญ่สิ่งแวดล้อมหมายถึงนิเวศระบบนิเวศวิทยาหมายถึงสิ่งแวดล้อม ท, ทางธรรมชาติแต่มาเมื่อคศสองพันก็คือสิบเจ็ดปีมาแล้วเนี่ยสหประชาชาติ UN เนี่ยนะให้คำนิยามคำว่า s ustainable development ใหม่ โลกทุกวันนี้ใช้ความหมายของคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนในความหมายใหม่ของสหประชาชาติแล้วนั่นคืออยู่ในประกาศของสหประชาชาติเมื่อคศ .2000 mm hmm. เขาเรียกว่า UN Millennium Declaration ประกาศเป้าหมายการพัฒนาทั่วโลกเนี่ยให้เป็น Sustainable Development เนี่ยโดย มองเรื่องการพัฒนาเป็นซิสเต็มเป็นระบบไม่ได้แยกส่วนว่านี่พัฒนาสิ่งแวดล้อมนี่พัฒนาสังคมนี่พัฒนาเศรษฐกิจฉะนั้นเป้าหมายของ UN เตั้งแต่คศสองมาเนี่ยพอสสเป็นต้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลการพัฒนาที่ดูแลสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเนเชอร์ลสิ่งแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นมา รวมถึงทุนทางสังคมสรุปแล้วในปัจจุบันเนี่ยทางสหปรชาชาติให้ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาที่ส่งเสริมความมาัง่งคั่งทางเศรษฐกิจความอยูอ่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมและการพิทักษ์สิ่งแวดลอ้อมสามเรื่องน่น การพัฒนาที่ยังยืนคือคําของโลกลุกทุกวันนี้ Sustainable Development แต่อย่าหมายถึงการพัฒนาโดยใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกแล้วไม่ใช่มันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจการอยู่ดีกินดีประเทศเราจะได้ยินคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพัฒนาทางสังคมให้เกิดสันติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมแล้วเป็น มิติของการพัฒนาในโลกปัจจุบันร่วมสมัยสามเรื่องถ้าพระพุทธศาสนาจะมีส่วนในการพัฒนาโลกใบนี้ทั้งโลกนะผมไม่ได้พูดประเทศไทยแล้วนะให้ใส่ใจทั้งสามมิติและมันเชื่อมโยงถึงการให้เป็น s ั s เ a น n a b l e โบซแปลว่ายั่งยืนโดยใส่ใจเรื่องสังคม เศรษฐกิจและก็สิ่งแวดลอ้อมฉะนั้นงานวิจัยของท่านเนี่ยถ้ามันอยู่ในสามเรื่องนี่นะถือว่าร่วมสมัยถ้าไม่อยู่ในนี้ไม่ต้องมาสัมมนาเพราะมันผิดที่เออแต่ไม่สัมมนาก็ไม่ได้มันไม่จบ <c oughs> ก็อีกเรื่องหนึ่งนะตั้งหัวข้อว่าร่วมสมัยเนี่ยมันจะต้องทั้งสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดลอ้อมครบทุกมิติ แล้วแต่ท่านจะเน้นมิติไหนแต่เน้นเรื่องสังคมมันก็เล็ดหนีเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้บางอย่างบางที่ที่ปุ๊บพูดเปิดประเด็นเนี่ยว่าเรื่องเศรษฐกิจแต่จริงจริงเศรษฐกิจที่ว่ามาเนี่ยไทยแลนด์ 4.0 ก็ดี พ, พ้นความยากจนมันสัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นอย่าไปเน้นแต่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวท่านต้องทําให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเรื่องการเมืองเรื่องนี้แ ม, มันสัมพันธ์กันหมดนี่คือโมเดล แบบของการพัฒนาวันนี้ใครไม่พูดแบบนี้ตกสมัยหมดยุคจะบอกให้ทำไมจะพูดอย่างนี้เหรอสหประชาชาติได้ประกาศนี่ในปี2015 SDG องค์การสหประชาชาติเลยรณรงค์คนทั่วโลกเนี่ยให้ขับเคลื่อนการพัฒนาโลกใบนี้ไปสู่เป้าหมายส7เจ็ดเป้าหมายในสิบเจ็ดเป้าหมายแบ่งออกเป็นสามกลุ่มแบ่งเองนะเศรษฐกิจรเรื่องสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดลอ้อมมีสามกลุ่มเราเรียกว่า SDGs s ustainable development goals เริ่มตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อสิบถึงข้อสิบเจ็ดถ้าท่านนำเอาคำสอนหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยมาส่งเสริมการพัฒนาในสิบเจ็ดเรื่องนี้แสดงว่าพระพุทธศาสนาที่ท่านนำเสนอนั้นร่วมสมัยอ่าเพราะ UN เอประกาศใช้ตั้งแต่สอง7ันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเป็นต้นมา 58ก็2ปีจะไปสิ้นสุดในปีคศออ1 230เา 2030. ขาจะหมดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นใครทำวิจัยในยุคนี้เนี่ยนะจะเข้ากับนโยบายของสหประชาชาติจะเข้านโยบายของรัฐบาลไทยรัฐบาลทั่วโลกจำเอาไว้เพิ่งผ่านมาได้2ปีและเราจะพูดถึงการพัฒนาโดยไม่แตะเรื่อง SDG ไม่ได้ เพราะมันเป็นเทรนด์เมกะเทรนด์แนวโน้มทั่วโลกเาเริ่มตั้งแต่ข้อที่หนึ่งนะสองมาเรื่อยเนี่ยแต่เนื่องจากว่าเรามาพูดกันตรงนี้เนี่ยจะจัดกลุ่มให้ท่านเพื่อประโยชน์ในการทำวิจัยโดยที่เรามองเรื่องพระพุทธศาสนาที่มีท่าทีต่อ Sustainable d e v e l o ของ n t ขอ็นเนี่ยแบ่งแบ่งเป็นประเด็นเหล่านี้ ซัสเซนเบิร์เดเวล็อปเมนต์ของยูเเนี่ยเหมือนกับพระพุทธศาสนาตรงที่ว่ามันเป็นการพัฒนาโดยเอามนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาถ้าเราแยกมองว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นการพัฒนาสังคมเป็นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันพัฒนาแบบแยกส่วนแต่พระพุทธศาสนาเน้นเรื่องการพัฒนาคน พัฒนานามารูปพัฒนาขันธ์ห้าพัฒนาจิตขน า, นารูปเพราะฉะนั้นเราพัฒนาคนให้มันเหมาะสมคนนี่แหละจะไปดูแลเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอ้อมอันนี้เป็นที่เราเรียกกันว่าอย่างนี้ว่าพัฒนาชาติให้เริ่มที่ประชาชนพัฒนาคนให้เริ่มที่ใจจะพัฒนาอะไรให้เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเห็นไหม เรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวตรงนี้เรื่องที่สองการพัฒนาของเราเป็นพัฒนาแบบสายกลางเขในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า all inclusive รวมเอาทั้งสองด้านเข้าด้วยกันหรือสี่ด้านเข้าด้วยกันคาว่า all inclusive คือรวมทุกอย่างทำไมเรียกว่ารวมทุกอย่างถ้าท่านไม่รวมทุกอย่างท่านไปสุดตรงไหนการมสุขลิกการนโยก ไม่รวมพัฒนาจิตใจพัฒนาแต่วัตถุอัตากิริมัานุโยคพัฒนาแต่จิตไม่พัฒนาวัตถุมันแบ่งแยกแต่ออุนคลูซีฟก็คือทางสายกลางทางสายกลางเราจะไปมองว่าเดินกลางไม่เอากับไทรไม่ใช่ทางสายกลางคือรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันเราเรียกทางสายกลางว่ามักมีองค์8มันไม่ใช่ทางเดียวมันตั้งแ รวมเอาแปอย่างไว้ด้วยกันเราเรียกภาษาอังกฤษว่า all inclusive รวมทุกอย่างรวมกายรวมจิตรวมสังคมรวมอะไรหมดเลยมักเนียวแปดมีอะไรบ้างท่านดูสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเห็นไหมเรื่องของปัญญาก็ต้องพัฒนาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเรื่องอาชีพเรื่องเศรษฐกิจใครจะบอกว่าเศรษฐกิจไม่เกี่ยว อ้าแล้วสัมมาอาชีวะในทานสายการมีไว้ทำอะไรเห็นไหมชั้นในเบื้องนดุลเ้มันอยู่ในในมรรคในองค์แปดนั่นแหละท่านพัฒนาสังคมสัมมากรรมมันตัดสัมมาวจาสัมมากรรมมันตะดทำให้เกิดพีชเกิดสันติภาพไม่ฆ่ากันสัมมาอาชีวะพัฒนาเศรษฐกิจและอะไรอีกสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิพัฒนาจิตใจ ซึ่งทำให้เกิดภาวนาคือ balance development การพัฒนาที่สมดุลภาวนานี่แหละคือ sustainable development ซึ่งขยายไปเป็นการพัฒนา4ด้านกายะภาวนาพัฒนาทางฟิสิ c a l พัฒนาทางวัตถุซึ่ง การพัฒนาทางวัตถุกายยภาวนานี่มันไม่ได้พัฒนาเฉพาะร่างกายของเรานะมันพัฒนาเศรษฐกิจใช่ไหมสัมมาอาชีวะใช่ไหมพัฒนาสังคมสัมมารกรรมตัสสัมมาอาชีวะเนะ่ยสัมมาวาจาเนี่มันพัฒนาสังคมเราเรียกกายยภาวนาและเวลาพัฒนาร่างกายร่างกายเราอยู่ในปัติรูประเทศปัจิรูปประเทศสว่าสมบุกเพกะตะปุญญาตาอจตัสมาปณิที่ปฏติรูประเทศคือ environment คือสิ่งแวดลอ้อม เห็นไหมเพราะฉะนั้นปฏิรูปประเทศสวัสดิ์มันเป็นจักรเป็นกลงล้ออันหนึ่งมันอยู่ในข้อกายยมภาวนาเราไม่สามารถพัฒนากายโดยไม่มีโลเคชันคือปฏิรูปประเทศสวาัสดิ์ได้นี่คือสิ่งแวดล้อมทำอย่างไรจะทำให้ประเทศไทยทั้งประเทศนิเวศวิทยาทั้งหมดเป็นปฏิรูปประเทศเรื่องที่สองศีลภาวนาเป็นการพัฒนาสังคม ก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะรวมไปถึงสัมมาอชีวะซึ่งอยู่ในข้อที่หนึ่งด้วยสัมมาอชีวะเนี่ยอยู่ดีกินดีเมนทัลเดเวล OP เมนพัฒนาจิตสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิและสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นพัน์ปัญญาภาวนาโฟร์ไดเมนชั่นนะของสารธมชาติเขามีสามใช่ไหมโซเชียล สังคมอีโคโนโมิกเศรษฐกิจและเอเวอร์แอมบ์สิ่งแวดลอ้อมของเรามี4นะต้องไปด้วยกันเพราะฉะนั้นโมเดลของภาวนาภาวน า, า, วนาคือพัฒนานะของพุทธศาสนาจึงมี4ี่ได้ในมัคคิวองนั่นแหละออร์ดนะิเนอุสซิวิเคราะห์มาจากมัคคิวองและพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นกายะภาวนาสีละภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาวิธีขยายภาวนาัสี่ญญาาายาย 4, เอามัคคิวองดเป็นตัวตั้ง แล้วท่านจะมาเน้นศีลก็ได้เป็นงานวิจัยของท่านเน้นจิตก็ได้เน้นปัญญาก็ได้เน้นกายยภาวนาเศรษฐกิจก็ได้หมดเลยแต่พัฒนาเศรษฐกิจไม่มีเสือธรรมได้ไหมไม่ได้มันจึงมีบุญนิสสิคโอนอมิกส์มีเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้เน้นเรื่องกายยภาวนานะของในหลวงรัชกาลที่เก้ามันเน้นรู้จักพอจิตภาวนามันเน้นรู้จักอยู่ร่วมกันอย่างสันติเน้นปัญญาภูมิคุ้มกันเห็นไหม ถ้าเราเอาภาวนาสี่ไปจับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องสัมมาอาชีวะอย่างเดียวมันมัดในองค์แปดเนี่ยอินคลูดีฟรวมกันหมดเลยแต่เราไม่ได้วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองของภาวนาสี่มัดในองค์แปดมันจึงมองเป็นเรื่องเศรษฐกิจแต่ที่จริงรวมกันหมดเลยนี่ก็เป็นงานวิจัยได้อีกอย่างหนึ่งเขาไปต่อ สรุปแล้วบาลานซ์บิลลเมเอาเอาเอาเพอร์ซันเอาบุคคลเป็นตัวตั้งแล้วคนนั่นแหละจะต้องพัฒนากายพัฒนาสังคมพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาไม่มีการแบ่งแยกเหมือนที่ใน4ด้านเหมือนที่สาธารณชิไม่ได้แบ่งว่านี่คือเศรษฐกิจนี่คือสังคมนี่คือสิ่งแวดลอ้อมท่านจะต้องให้มันสัมดุลคำว่าสมะคือสัมมาคือมรติองแ คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางทางสายกลางไม่ได้แยกอยู่ตรงกลางแล้วไม่เอาใครคือรวมทุงฝ่ายเข้าด้วยกันดัมที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเรามองมัคเนลแปี่เราอย่าไปเรียกมัคแปดนะใครเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยมัคแปดมันภาษาบาลีเรียกว่าอัฐันมัคคาทางแปดสายแต่ภาษาบาลีเขาเรียกอัฐันที่โกมัคโกทางเดียวแต่มีองค์ประกอบแปดยางอัฐันที่โกเนะี่ย มีอค์ประกอบแปลกอย่างเหมือนกับเชือกหนึ่งเส้นแต่มีเกลียวแปดเกลียวรวมกันเพราะฉะนั้นคําว่าอ l l i n c l u s คือทั้งแปลกเกลียวเนี่ยรวมกันอยู่ในนั้นมันเป็นทางสายกลางมันมีองค์ประกอบถ้าเราแยกมาสี่ก็คือแปลกสี่เกลียวเนี่ยมันรวมกันเป็นทางสายกลางของการพัฒ น, นาเมื่อเราตั้งจิตไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาวิเคราะห์แนวคิดของศาสตร์แหชาติสิ เพื่อเรามีส่ตรร่วมเราจะได้พูดภาษาเดียวกันเรามีสี่เขามีสามเนี่ยแล้วสามองค์เขาแยกออกเป็นสิบเจ็ดเนี่ยเราจะไปช่วยเสริมเขาตรงไหนอาแล้วนโยบายของประเทศไทยมันก็อยู่ตรงนี้แหละนโยบายทั่วโลกก็อยู่ตรงนี้ในใน contemporary เนี่ยนะตั้งแต่สิบห้าปีนับจากปีห้าแปดไปเนะี่ยพูดเรื่องนี้เลยอ่ะมาดูกันเรื่องกายภาภาวนาเนี่ยเราเน้นสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจฯฯกอะไรก็ตามเนี่ยนะเขาไปเร็วนยะ เรามาดูในโก้สเจ็ดอย่างอันไหนในสิบเจ็ดอย่างที่มันสงเคราะห์นะเขาเรียกอะไรสงเคราะห์ใช่หครับสรุปเข้าในกายภาวนา อ, อ่ถ้าเรามาดูสิในสิเจ็ดข้อของสรรชาติเนี่ยอันไหนเรียกว่ากายภาวนาอันไหนเรียกว่าสีละภาวนาอันไหนเรียกว่าจิตภาวนาอันไหนเรียกว่าปัญญาภาวนาแล้วเราก็จะ contrib คือสนับสนุนง่ายและพูดภาษาเดียวกันทั่วโลกผมลองวิเคราะห์ดูนะครับในเรื่องของกายภาวนาเนี่ยใน17เป้าหมายของ u ูเนี่ยรวมอยู่ในกายภาวนา Physical Development คือกายภาวนาใช้ภาษาอังกฤษนะครับเพราะผมสรุปยูอโกนที่หนึ่งครับเป้าหมายอันดับหนึ่งนะถามว่าผมมาจากไหนถ้าดูตรงนี้นะนี่ no poverty เนี่ย zero ฮังเกอร์เนี่ยนะนี่คื อ, อามาจากนี้นะนะแล้วก็มาเขียนอย่างนี้หนึ่งเป้าหมายที่หนึ่งของสัประชาชาติคือขจัดความยากจนไม่ให้มีความยากจนเหลืออยู่ในโลกนี้ปรากฏว่าในแอฟริกาเนี่ยประเทศที่ถูกจนมากเอ็กซ์ตรีมพัวเยอะจนปลายกายก็เยอะประเทศไทยเราเนี่ยพ้น ไอ้โจรปานกลางเนะี่ยมาอยู่ที่โจรเหมือนกันแต่ว่าไมเาเา่เรียกว่าพ้นความจากโจรแต่มันมีสิทธิ์ตกลงใหม่เพราะฉะนั้นเราจะส่งเสริมกลุ่มใหญ่คือ5 3% เอร์ไอ้ที่สิในประเทศไทยเนี่ยนะที่มีความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจมีสิทธิ์จนเหมือนเดิมเนี่ยสินะคนไทยเนี่ยให้เขามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้อย่างไรโดยใช้ธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้อง ใช้เศรษฐกิจพอเพียงหรืออะไรก็แล้วแต่ขท่านนี่คือร่วมกับโกนของสัตวาชาติ no poverty ข้อที่สอง zero hunger ไม่มีความหิวโหวยบางทีเนี่ยคนที่ในเอาทั่วโลกเนี่ยนะที่ไม่มีอาหารกินที่มีมอลดิวทชเ่น more สุขภาพย่าแย่เนี่ยมันมีสัตวาชาติก็บอกว่าน้นดื่มเนี่ยมันไม่ใช่มีทั่วโลกนะท่านนะ แล้วถ้าเราไปดูคนแอฟริกาเขาเดินทางปก่าจะไปเอาน้ําจากบาดาลขึ้นมาเนี่ยซึ่งขุนพักมาเนี่ยมาดื่มมาใช้เนี่ยมันลำบากแค่ไหนเราจะมีแล้วในประเทศของเราเนี่ยยังมีในสภาพที่อย่างนั้นหรือไม่ถ้าไม่มีแล้วน้ําดื่มไออาหารที่มันถูกสุขลักษณะอะไรต่างเนี่ยไม่ให้น้องหิวโหวยเนี่ยเออทําอย่างไรท่านลองคิดดูสิในประเทศเราเนี่ยนะ มีกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนยากจนคนด้อยอากาศแต่ก็ยังมีข่าวว่าไปกินเงินเขาอีกอเขายังอุิสันด์ด้อยโอกาสชาวเขานี่นะผมไปเห็นแล้วนะโอ้โหท่านน่าช่วยจริงๆพระพรหมบัณฑิตเนี่ยไปสร้างอาคารสรงพระบัณฑิตอาสาไปเนี่ยขึ้นดอยปีละสี่สิบรูปเลยและถ้ามีโอกาสคนจะไปเยี่ยมเนี่ิบสิบห้ปีที่ผ่านมามันจะขึ้นไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วเขาแล้วกว่าเขาจะลงมาจากดอยเพื่อมา วัดศรีโสนามัลำบากก็เลยไปสร้างอาคารศูนย์ประสานงานมอบให้พระบดีอาสาอยู่บนดอยท่านที่บ้านวัดจันทร์ไม่ใช่แถวนั้นน่ยที่อำเภอรกรยานิวัฒนาเนี่ยวัดห้วยบกเราไปสร้างวัดหนึ่งวัดมหาเชลราเนี่ยและอธิการบดีนำพระป่าไปทอดสามปีสร้างอาคารเสร็จเป็นหนึ่งหลังเป็นศูนย์ประสานงานพระบดีอาสาบนดอยออที่วัดห้วยบก หกล้านบาทนะท่านบุญดอยนี่สร้างได้อย่างดีเลยคัดไปดูกันบ้างาไปเยี่ยมเขาเนาะพระเนี่ยนะอธิการบดีลำบากม า, มากๆแล้วพวกท่านไปมั่ <c oughs> ไปถึงเคยสร้างไปอะไรเขาโนฮังเกอร์โนพาวอร์ตี้ข้อสามท่านสุขภาพที่ดีนี่ก็คือท่านเหมือนกายยัภาวนาไหมล่ะเรื่องสุขภาพเรื่อง Well-being สุขภาวะนั่นแหล ะ, ะทั้งหมดนี้เรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องที่ที่6อันนี้ข้ามเลยนะเพราะว่า UN ก็ไม่ได้เรียนเป็นภาวนาตามเราเลยโกนที่6มีน้ำดื่มที่สะอาดมีสุขสุขภาพอนามัยที่ดีซาวน์ดิเทชันเนี่ยนะสุขลักษณะโกนที่7พลังงานที่สามารถหามาได้และเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ปล่อยคาร์บอนเช่นพลังงานทดแทน พลังงานลมพลังกานหันลมพลังางานน้ําอะไรต่างๆเนี่ยนะมหาจุฬากวรจะมีพลังงานแสงอาทิตย์เนอะเนี่ยประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีพลังงานแสงอาทิตย์โกนที่แปดสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดีไม่ใช่มีเงินแต่ว่าโอ้โหไปทํางานเสี่ยงแขนขาดขาขาดแล้วก็ทํางานที่มันเสียสุขภาพอะ่ะ แล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่เอาเปรียบแรงงานเด็กไม่มีแรงงานทาสไม่ไปย่ำยีทางเพศนี่คือโกนที่แปประเทศไทยเราจะต้องไปให้ถึงจุดนี้โกนที่9โกนที่เก้า็คือเป้าหมายในทางกายภาพนั้นเลยนะที่พูดมาเนี่ยคือเรื่องของอุตสาหกรรมเรามีโรงงานอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเบา มีนวัตรกรรมที่เป็นไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยมาเน้น innovation โครงสร้างพื้นฐานอำนวยความสะดวกในการจราจรในเรื่องการสื่อสารตอนนี้เนี่ย เ, เมื่อเราสร้างรถไฟฟ้าไอ้ BTS ก็ดีรถไฟรถไฟที่เขาเรียกว่าที่เชื่อมอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะรถไฟฟ้ากันแล้วกันเนี่ยสองสองบูชนเนี่ยสร้างเสร็จตามโครงการเนี่ย เราจะมีความยาวของรถรางเนี่ยนะในกรุงเทพเนี่ย400กิโลเมตรครับ400กิโลเมตรเนี่ยนะอเขาให้มันเสร็จนะนะจากนี้ไปไม่เกิน5ปีน่าจะเสร็จนะ400กิโลเมตรเนี่ยเท่ากับมากกว่านดอนในปัจจุบันเท่ากับว่าอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยพร้อมในการพัฒนาในประเทศไทยมีอายุอยู่ดูนะอยู่ใช้ไนะอย่าโยมนะพระเขาไม่ให้ขึ้นมั้ นะท่านก็มองเครื่องบินไป <c oughs> เบิร์ด อ, อะไรที่มองเครื่องบินอะไรเลยนะ <c oughs> โอ้มันขา้ขาหัวเราไปข้าหัวกันมานี่นะเออนั่นแหละ400กิโลเมตรท่านผ่านหน้าวัดดีโยมจะได้มาเข้าวัดเราแล้วไอ์อินฟราสักเจอที่ว่าเนี่ยใช้ทั้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อมไปถึงคุนหมิงไปไปหัวหินไปต่าางเนี่ยเขากำลังทํานะะถือว่าเป็นโก โกนที่10ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้สังคมเมืองสังคมชนบทอะไรต่างๆเนี่ยนะความมั่งคั่นเนี่ยอันเนี้ยใน8ข้อเนี่ยนะให้ความสำคัญมากเป็น s d g ีนเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนถามว่ากายภาวนาในพุทธศาสนามีธรรมะอะไรในกลุ่มนี้ที่จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ว่ามา 8ข้อนะอันนี้เนี่ยไม่มีเวลาถ้าจะพูดยกตัวอย่างนะ d h i s t Economics มาพัฒ น, นาระบบ Buddhist Economics อของเราเศรษฐกิจเชิงพุทธเนี่ยนะพุทธเศรษฐศาสตร์จะช่วยเนื่องจากไม่มีเวลาแล้วจะข้ามไปหมดเอาแต่หัวข้อคำว่า Buddhist Economics นีหลักการ2ข้อ1 less is more 2 small is beautiful เวลาคำว่าเล s ิ o โมก็หมายความว่าในการบริโภคเนี่ยบริโภคน้อยใช้น้อยแต่ให้ได้ความสุขมากเอาคุณภาพเราไม่จงเป็นจะต้องกินอาหารแพงๆแต่ว่ามีสุขภาพที่ดีและมีความสุขไม่ไปเสริมความโลกนี่คือบูติสิคโอนอเบิกในการคอนซัมชันในการบริโภคสมอลนิดบิวตี้ฟูลก็คื อ, เ, อ, อเราไม่ตัดไม้ทำลายป่าธุรกิจเทคโนโลยีเ Technology, นี่ยให้มันเขาเรียกเทคโนโลยีที่เหมาะสม การลงทุนที่เหมาะสมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับโปรดักชันผลิตไม่ทำให้น้ำเน่าไม่ให้ตัดไม้ทำลายป่าอะไรหออะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักของบูติสิคอนอเมิกพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินราชการที่เก้าเนี่ยได้ประกาศเรื่องบู i ิสิคอนอมิกในนามว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี1974นะทรงประกาศเรื่องนี้ ในที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพระยาทานปริญญาบัตรหรืออหรเจะทรงใช้คำว่า sufficiency foundation เป็นที่มาเจ็ดสี่ก็สามสิบสี่สิบปีมาแล้วเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้ว่าแนวทางที่พระองค์ทำเนี่ยคือ philosophy of sufficiency economy ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่มีเวลาจริงนะมาเป็นนโยบายของประเทศไทยในปีหนึ่งเกเกจ็ดก็คือแผนพัฒนาแผนที่8 มาเป็นโมเดลของการพัฒนาประเทศแล้วก็ถามว่าปรั ญ, ญาเซรนกิจพอเพียงมีธรรมะอะไรเป็นฐานตอบว่าหนึ่งทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาสองเอ็กพีเดก็คือมัตตัญญุตาการรู้จักพอรู้จักประมาณสามความสุขพอใจนะแล้วก็ก็คือสุขของกระดัสสีอย่างเนี่ยสุขจากการมีทรัพย์ถูกจากการจ่ายทรัพย์บริโภคจุกสุขจากการ ไม่เป็นหนี้และสุขจากการทํางานไม่มีโทษเนี่ยเป้าหมายเป็นความสุขของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นก็ใช้หลัก3ประการเราไปวิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงมักมีองค์8ก็คือมัชฌิมาปฏิปทาในี่ยมักมีองแปรแต่เน้นมัตตัญญุตามัตตัญญาตทางสายกลางคือพอดีใช่ไหมไ อ, อ้พอเพียงมันจจ่อกด้วยความพอดอีพอประมาณและก็พอใจ พอดีคือทางสายกลางพอประมาณคือมัตตัญ่าตงและก็พอใจคือความสุขเรารวมเป็นเศรษฐกิจพอเพียง<ม>พูดเป็นรถด่วนเลยนะข้ามไปเรื่องโซเชียลโดโ m e n นศีลภาวนากับการพัฒนาจิตใจรวมกันเลยนะเท่ากับ Goal าต่อไปนี้ของ UN 4สี่ข้อหนึ่งเป็น Goal ที่ห้าความเท่าเทียมกันทางเพศโดยเฉพาะสตรนะีการพัฒนาสตรีตรเพศเ้าเรียกว่า empowerment of women การพัฒนาสตรีให้พึ่งตัวเองได้ให้มีความเข้มแข็งเป็น gender equality ซึ่งเป็นเป้าหมายของ UN ข้อที่11เเป็น sustainable city and community พัฒนาสังคมเมืองให้ยั่งยืนแล้วก็เป็นชุมชนที่เข้มแข็งอันนี้เป็นเรื่องของสังคมไม่ใช่สลัมนะแล้วข้อที่16อันนี้ชัดเจนมากสันติศึกษาเนี่ยสันติภาพความยุติธรรมสถาบันที่เข้มแข็งสถาบันครอบครัวสถาบันการเมืองอะไรก็ตามเนี่ยนะประชาธิปไตยนี้ให้มันเข้มแข็งมันจะเกิดสันติเปโกนที่16อันนี้ธรรมะอะไรที่ อยู่ในกลุ่มสีละภาวนาและก็จิตตภาวนาส่วนถ้าพูดเรื่องสันติภาพนี่เราโยอเลยใช่ไหมโอ้เรื่องพีซเนี่ยให้ดูตัวอย่างว่าว่าจะทั้งเรื่องคำว่าสันติภาพมีสันติภาพภายในสันติภาพภายนอกนี่อัญชั ต, ตัดสันติพิธัสสันติเนะี่ยพุทธศาสนาสน world peace นี่ u n e s สโกนะคยเขาบอกว่า สงครามเริ่มที่ใจของคนเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งจะต้องสร้างป้อมปราการแห่งสารติภาพที่ใจคนแปลความหมายว่าอย่างนี้สงครามมันเริ่มจากใจเพราะฉะนั้นต้องสร้างป้อมปราการเ้าเรียกว่า defense of peace เนี่ย construct ที่ใจซึ่งมันตรงกับหลักพุทธศาสนาใช่ไหมล่ะเนี่ยพุทธศาสนาเราก็เริ่มที่ไม่มีความเกลียดชงังมีพรหมวิหารสี อะไรก็ว่ากันไปเลยนะเอามาถึงการพัฒนาทางปัญญาปัญญาภาวนาเนี่ยมีอยู่ข้อเดียวเท่า น, นั้นแหละคือข้อ4เป้าหมายที่4 quality education คือรับประกันว่าการศึกษาต้องมีคุณภาพและก็อย่างเท่าเทียมกันให้ทุกคนได้มีส่วนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม equitable เนี่ย แล้วก็ f ล l o ลอ Life-long Education ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป้าหมายของการศึกษาไปดูที่อันทสูตนะคนต้องมีการศึกษาที่เป็นบูรณาการคนในโลกนี้มีสามประเภทคนตาบอดคนตาเดียวคนสองตาคนตาบอดคือคนที่ไม่มีความรู้ในทางโลกและก็ไม่มีความรู้ทั้งในทางธรรม ทางโลกคือประกอบอาชีพนะทางธรรมคืออะไรถูกอะไรผิดดารงชีวิตที่มีความสุขส่วนคนที่2อเอกการจักผูเนี่ยมีความรู้ในทางประกอบอาชีพแต่ไม่มีปัญญาในทางธรรมมนุษย์ที่สมบูรณ์การศึกษาเนี่ยจะต้องทําให้คนมีตาสองข้าง 1. ความรู้ในการประกอบอาชีพ 2. ความรู้ที่ทําให้เอาชีวิตรอดมีความสุขไม่ทนทุกข์ข่มกัน่น ภาษาอังกฤษถ้าความรู้ที่ทำให้เอาให้ประกอบชีวิตได้เรียกว่า knowledge ถ้าความรู้ที่ทำให้มีความสุขเราเรียกว i s d o m คือปัญญาในภาษาบาลี knowledge คือสุตตะหูสูนเนี่ยนะส่วนปัญญาก็ปัญญานั่นเองพูดแค่นี้ไปต่อออสตายังพูดเรื่องนี้เลยนะเขาบอกว่า science without religion is lame วิทยาศาสตร์ที่ไม่มีศ า, ศาสนาพิการ ศาสนาที่ไม่มีวิทยาศาสตร์มืดบอดแสดงว่าต้อง all inclusive ไปได้วยกันอันนี้คำของไอสไตน์นะใน knowledge ที่พูดมาเป็นสุตตะนะเป็น information บวกประสบการณ์เพื่อไปใช้เราเรียกว่าสุตตะตาหนึ่งข้างต้องเป็น knowledge การศึกษาที่สมบูรณ์แต่โลกนี้ยังขาดปัญญาปัญญาคืออะไร มองด้านในและการเชื่อมความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งพูดง่ายๆถ้าเห็นไตรลักษ์เรียกว่ามองลึกรู้รอบ ก, กับรู้ลึกเห็นไตรลักษ์ปล่อยวางเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหตาเรียกว่ารู้ลึกเห็นปฏิชลุบาตเรียกว่ารู้รอบแค่นั้นแหละนี่คือปัญญาในพุทธศานาเราต้องสร้างทั้งความรู้ทั้งปัญญา knowledge และก็ปัญญาวิธีการบรวนการสร้างก็คือ Meditation ทั้งสมถะทั้งวิปัสนาอันนี้เราต้องเพิ่มเข้าไปในสูตรการศึกษามิฉะนั้นจะไม่มีปัญญามีสมาธิก็จะมีสุตาะที่ดีข้ามไปนะสุดท้ายสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเนี่ยของ UN ที่เข้ากับ เ, เรื่องนี้นี่นะคือกายภาวนาของเราในปฏิรูปประเทศสวัสดิ์มีอยู่4ข้อ 1. ข้อ12การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมันอยู่ในบุติคณอมิกที่เราพูดมาแล้ว consumption กับ production กฎที่13เป้าหมายที่13การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาของโลกที่พูดตอนต้นเนี่ยในเวทวิทยาเนะี่ย ในยุคล่วมสมัยเนี่ยเขาถือเป็นเรื่องใหญ่เราอาจจะไม่รู้สึกแต่ทั่วโลกถือว่า Climate Change เป็นเรื่องใหญ่ปัญหาที่ UN ยกขึ้นมาข้อ14 life below water หมายถึงชีวิตในน้ำสัตว์น้ำต้นไม้ปลาารังอะไรสารายทะเลอะไรต่างอยู่ในนี้หมดแล้วก็ชีวิตบนบกก็คือเสือดำเป็นต้น เห็นไหมมันเข้าก De ับเทรนด์เลยน่ะนี่แหละอะไรที่อยู่บนบกอยู่ในข้อสิบห้าอะไรที่อยู่ในน้ําข้อสิบสี่สรุปแล้วสิ่งแวดล้อมมีทั้งในน้ําบนบกมันจะเหลืออะไรนะท่านเหลือแต่นอกโลกเท่านั้นแหละนี่คือข้ออที่เป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกายภาวนาเหลืออยู่ข้อหนึ่งซึ่งยังไม่ได้พูดเลยข้อสุดท้ายเดี๋ยวจะให้ดู เดี๋ยวคนจะทั้งหมดนที่จริงเนี่ยคือครบแล้วละ่ะแต่ว่าข้อสุดท้ายเนี่ยต้องพูดสันิดหนึ่งเดี๋ยวลไม่เข้าใจข้อสิบเจ็ดทั้งพูดที่สรุปมาเนี่ยเมื่อบอกข้อสิบเจ็ดเนี่ยคือพ a r t n e r s h i p ิ o r t ฟอร์เหมายความว่าทางทราบใชาติบอกว่าเป้าหมายที่ผมข้อจะบรรลุได้ต่อเมื่อทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั้นพาร์ก็คือเรามาร่วมกันขับเคลื่อนทั้ง รัฐบาล NGO ทั้งศาสนาทั้งเอกชนรวมถึงมจรด้วยเขาต้องการให้ร่วมขับเคลื่อนตรงนี้นะถ้าเราร่วมขับเคลื่อนในงานวิจัยของเราเราพูดถึงเรื่องนี้เราอยู่ในข้อ17ทันทีทีนี้ถามว่าในข้อ17เนี่ยมหาเจลาทําอะไรเฉพาะในข้อ17นะมหาเจลาจัดวิสาขาบูชาโลกให้ดูหน่อยอันนี้เป็นร่วมสมัย เราจัดวิสาขาบูชาโลกมาตั้งแต่คศห น, นึ่งสองพันกันละกันนะแล้วที่ประเทศไทยเนี่ยเราจัดวันเดเดออเวสักตั้งแต่สองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเป็นต้นมาสองพันสี่ 2000, เน่สองพันสองพันสองพันสี่ก็ผ่านมาสิบสี่สิบห้าปีเนี่ยเราจัดวิสาขาบูชาโลกที่ที่ทมอจรอที่ u n เนสแคมที่พุทธมนพร แล้วก็ตั้งองค์กรมารองรับงานวิสาขาบูชาโลกเรียกว่า IC DV IC DV เนี่ยนะ International Council for the o v e s k ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดงานวิสาขาบูชาโลกแล้วเราจัดหัวข้อแต่ละปีเนี่ยในการสัมมนาของเราเนี่ยสัมพันธ์กับ Millennium g o ตอนนั้นยัง เขาเรียกว่าเป็นเป้าหมายของสหประชาชาติในยุคสหัสวรรษแล้วต่อมาในปีเมื่อสองปีที่แล้วเขาเปลี่ยนเป็น SDG เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเราก็จัดสัมมนาสหประชาชาติเนี่ยที่ที่วิสาขาบุชาโลกหนึ่งใน17ข้อนั่นแหละเพราะเราจัดอย่างนี้มา1 4 4 5ปีสหประชาชาติจึง r e c o g n i z ไนเหล่ารับรองให้ ICDV ด้วยนะ เป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของสังประชาชาติในปีคศ2013ก็คือ 2,556 ICdv เนี่ยเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษของสัประชาชาติไปแล้วเพราะเวลาเราทำงานเราไม่ได้ทำงานหลับหูหลับตาเราดูมิลลิเนียมโกอย่างที่ที่กาญปดีพูดมาเนี่ยเพราะว่าทำมาเองเออแล้วเราจัดสัมมนาทุกปีเนี่ยเรื่องนี้มาเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่มาพูดกับพวกเราเนี่ย จนกระทั่งสหาปาระชาชาติบอกว่าถ้าอย่างนั้นรับรองคุณเลยเป็นองค์กรที่ปรึกษาพิเศษในสหประชาชาติในโลกพระพุทธศาสนานะในประเทศไทยนี่มีพอสลอรอ ก, กับ i c ซีเท่านั้นที่ทําหน้าที่นี้ดอกนั้นไม่ได้ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสหประชาชาตินะเพราะไม่ได้ดูดูเรื่องโกนที่ว่ามาเห็นไหมแล้วเรารวมทั่วโลกมาทํางานด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงมีสิทธิ์เข้าไปประชุมอีโคโนมิกแอนด์โซเชียลเคาของ UN ไม่ได้ไปธรรมดานะมีบัตรผ่านเนอะคนอื่นจะเข้าอยู่เวนี่โอ้ตัวแรกตัวนี้พระพรมรดิ์เนหานะประธานเนี่ยนะนี่เห็นไหมมีบัตรนี่มีพาส ด, ด้วยไปทำมาแล้วนี่ที่นิวยอร์กเนะไม่ได้ทำแอนเฟนี่นะโอ้เนี่ยไม่ได้พูดทำด้วยและเพราะฉะนั้นจึงเรื่องที่เราพูดนี่จึง c o n t r i b u t e ไปคุยในสัมพันธชาติด้วยนะให้ฟังเพราะฉะนั้น เมื่อ u ูเอเขารับรองไอซ v ดีวเขาบอกว่าเราต้องมีมิชชั่นสี่เรื่องหนึ่งอันที่หนึ่งเลยทัศน์เสนาบุรุษพัฒนเพราะเราทำมนตลอดข้อที่สองไทยเม h a ชนเห็นไหมมันก็อยู่ในสิบเจ็ดโก้เลยนะแต่ตอนนั้นเขารับรองเราก่อนที่จะมีสิบเจ็ด้าไอซีดีเขาบอกให้เราทำ Climate เม a n g e จากสัมมนาเรื่อง Climate เม a n g e เข้าเลยนะท่านกัรณมบรีนะดู ด, ดูพวกนี้ไว้บ้างนะเออ สันเซนแลวเดีวหลบเม้นเนี่ยไม่ใช่แต่เอารุ่นร่วมสมัยให้พูดหน่อยเอแล้วภาคไทยเม็เชนดู UN เอ็ขาบ้างดูว่ามหาจุฬาอธิการบดีเนี่ยทำงานวิสาขาบูชาโลกเนี่ยเขาไปทําอะไรกันวเวลาสัมมนาให้มันเข้ามัง่งมันจะได้แต้มอไม่งั้นไปพูดกับ UN นหน่อยลูกน้องไม่ทําเลยเขาไปทอะไรก็ไม่รู้เแ ล, แล้วเสร็จแล้วเรื่อง education นะแล้วสุดท้ายเขาให้ทําเรื่องสันติมหาจุฬาจะเปิดสันติศึกษาไง ที่ถ้าให้ท่านหันษาดูแลเนี่ยมันก็ Peace Building นี่แหละมันเป็นเป้าหมายของ i c ซ v วอ่เราทำมา13ปี14ปีปีนี้นะจัดวิสาขาบูชาโลกวันที่25ถึง27เปิดประชุมที่หอประชุมมหาจุฬาแล้วไปประชุมต่อที่ UN เนี่ยในฐานะองค์กรที่ปรึกษาเนี่ยเรากำหนดเมนทีมหัวข้อใหญ่เลือกอะไรนั่นมันอยู่ใน17ข้อนั่นแหละอาเราตั้งเรื่องอะไร เมนทีมยกตัวอย่างก่อนนะที่ผ่านมานะ2011 b u ส d บเอ็ดบ uh, ุตดิสเวิร o ชิวอินอ o กโ o n มิก c ซเซอีกโคนมิกเห็นไหมมันก็เข้าใน UN ทีมนั่นแหละเราทำมาอย่างนี้ในปีสองพยกตัวอย่างเฉยนะอา้าวสองพันสิบสี่บุต t ิสคันทรูบิชั่นทัวร์สอันชิว e d n a t อะ n ูเ i ี่ย n ์เนชั่นมิเลเนียลเดเวลเห็นไหมชัดเลยนะแล้วมันจะได้ไม่ได้เป็นองค์กรที่เป็นสาพิษได้ยังไงล่ะเวลาทำงานเราทำงานกับโลกระดับโลกนะนะ เราตั้งหัวข้อประชุมอย่างนี้เนี่ยมันมันไม่เข้ากับงาน UN ให้มันรู้ไปสิตั้งเอามิลเลนเนียมเดเวโลปเมนต์โกเลยนะในปี2 0 1 4แต่คนไทยไม่เคยรู้เพราะปีนี้เราไปไประชุมที่เวียดนามเอ อ, อปีที่แล้วโอ้ปีปี13เขาไม่เอาคัน2018ปีนี้เลยนะ Human Development, d e v e l o p m e n น u n d ูเนี่ยของที่เราที่จะจัดที่กรุงมหาจรากับที่ u n เอเนสแคมวันที่ 25-27 ตั้งหัวข้อใหญ่ว่า Buddhist Contribution to Human Development โดยเอาหัวข้อที่พูดวันนี้เนี่ยกายภาวนาศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนามาเป็นโมเดลในการสรัมมนานะ Human Development แล้วกระจายออกเป็น17โกลเป้าหมายใครจะทำวิจัยเรื่องอะไรก็ได้ส่งเปเปอร์ามาในหัวข้อเหล่านี้นะรู้ตัวไว้ก่อนนะผมพูด <sound> เพราะผมเป็นคนเลือกหัวข้อนี้ถามว่าทาไมเลือกหัวข้อนี้ ในปีนี้ให้ดูภาพนี้ที่เลือกหัวข้อนี้เพราะให้ท่านดูภาพนี้นโควิอันนาเลขาธิการสหประชาชาติถวายรางวัลของยูเอ็แก่พระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่เก้านะพระปูมิพอล์ดุินเจเดตชื่อรางวัล ว, ว่าไลฟ์ไทอะ v ชเมนอวาร์ดชื่อรางวัล ว, ว่า UN Human d e v e l OPMENT ในหลวงรัชกาลที่9ได้รางวัลจากสัมมิชาด้านการพัฒนามนุษย์เพราะฉะนั้นปีนี้เราจะ เ, เรียกว่าเป็นการถวายพระราชกุศลพระองค์ท่านจึงให้คนทั่วโลกมาพูดถึงงานของพระองค์ท่านตั้งเบนทีมว่า b u d i h i s t Contribution to Human Development เอารางวัลของพระองค์เนี่ยเป็นชื่อใหญ่แล้วให้คนทั่วโลกมาพูดกันเรื่องนี้และแน่นอนเขาจะต้องเอ่ยถึงพระองค์ท่าน เป็นการสดุดีในานามของชาวพุทธทั่วโลกเจงกำหนดเป็นหัวข้อใหญ่ในการสัมมนาและคำว่า human development เนี่ยเป็นรางวัลของสัมรนาชาติที่ถวายพระองค์มันจึงสัมพันธ์กับสารพฤติสรและเชื่อมกับ development Sustainable development, Sustain development 17เป้าหมายที่กล่าวมาใครพูดในเรื่องนั้นพูทาสนากับ sdg นะ development goals เนี่ยถือว่าเป็น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดวิสาขาบูชาโลกในปีนี้ทั้งสิน้นก็จบแล้วลก็ขออนุโมทนาท่านคณบดีและพวกเราทุกรูปทุกคนที่มาร่วมสัมมนาในที่สุดนี้ขอคุณพระศรีรัต น, นตรยัยและคุณความดีทั้งหลายที่ท่านได้ประเพณมาจงมารวมกันเป็นตะปัดีชะกพลวั์ปัจจัยอำนวยอัยพรให้การสัมมนา ค, ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามมโนโปณิธานทุกประการขอทุกท่านมีความเจริญรอบงามยิ่งยิ่งขึ้นไปในรูปธรรมแห่งองค์สำเร็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าปราถนาสิ่งใดก็ให้พรสําเร็จสมมโนรดมุ่งมากปรารถนาทุกประการเทิน